บุ๊ก <Book> 2ห้าสิบสองพันูดูในห้างสปปรรพสินค้าดารฟรูชกกเราไปห้างสปปรรพสินค้ากันไหมเบราบินไบเกฟรูชกกผมต้องไปซื้อของ มันบอัดขายอมรอ anjam ผมอยากซื้อของหลายอย่างมั ی ی นมีอหคนแผนกเครื่องใช้สำนักงานอยู่ที่ไหนครับ l a v a z e ผมต้องการซองจดหมายและเครื่องเขียน من پاکت نامه و کاغذ نامه لازم دارم. ผมต้องการปากกาลูกลื่นและปากกาเมจิก من چند خودکار و ماژیک لازم دارم. แผนกเฟอนิเจอร์อยู่ที่ไหน مبل‌ها کجا هستند؟ ผมต้องการตู้และตู้ลิ้นชัก ผมต้องการโต๊ะเขียนหนังสือและชั้นวางหนังสือมัอนอยู่คีซ حر ی ر و یک ق ف ย่างทัฟเฟสแผนกของเล่นอยู่ที่ไหนครับอสบอบิฮ์ฮ์โคจอฮัสผมต้องการตุ๊กตาและตุ๊กตาหมี من یک عروسک و یک خرس پ ا ر چ งเช ا อกพวกรชีผมต้องการลูกฟุตบอลและกระดานหมากลุกมันอย่างถ้วยฟุตบอลและอย่าง ا ท م งตีชัตรรแผนกเครื่องมืออยู่ที่ไหนครับอ ب ز ا ر آلات فنی کجا هستند ัตผมต้องการคอนและคีม من یک چکش و یک ا แ ب ะเยกอัม زم دارم ผมต้องการสว่านและไขควงมัน ک م ก ه ม یک آچار ل ا ก زم دارم แผนเครื่องประดับอยู่ที่ไหน جواهرات کجا هستند؟ ผมอยากได้สร้อยคอและสร้อยข้อมือ <perfektionic stone> من یک گ ر د ن بند و یک دست بند لازم دارم. <تم> من یک ح ل ق ه و گوشواره لازم دارم.